้ตายเราเกิดอีกหรือตายเราศูนแล้ว เ, เกิดไปไหนถ้าศูนย์เราไปยังไงทำงาอผู้ที่ตอบก็ตอบให้ผู้ที่ได้คำตอบก็ไม่มีประโยชน์อะไรบางอย่างมันต้องสมปรารเอาไม่ใช่เกิดคำถามสัจธรรมไม่มีคำถามมีแต่คำตอบคนอื่นตอบให้ไม่ได้อย่างเราสร้างกรรมฐานเนี่ยเมื่อเราอยู่ตรงไหน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 นี่เป็นความรักอันสุดยอดความรักเพียงเราสองคนมันคับแคบให้มันเป็นของยิ่งใหญไ่ไปอยู่ที่เป็นนักเวทก็คิดถึงความรักเราสัญญาจะมาทำรับผิดชอบตรงไหนทะเลทะเลไม่ได้แมถึงเวลาที่ศึกษาจนเอากายเอารูปเนี่ยโธลมา น, นอนเสี่ยง น, นอนหนำไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่หายใจ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 จนสึกสึกเฉยเฉยลงตามล่มน้ำในหลันชะลาจากดงคายิริตอนเหนือของเนช้านตอนตาคเคยไปดูไปดูถ้ำดงคายิริอนะไม่ใช่เหมือนหงวตจนะถ้ำดงคายิริที่สิทธทจึงเป็นโอรสอาทิระไปอยู่ที่นั่นปีนตาผาขึ้นไป เจ้คุณมหาเลยต้องให้แขกหิ้วปีกขึ้นสู้โลกไม่ได้เราไม่ต้องให้ใครหิ้วปีกเตินขึ้นเสืสักเสโจมาถึงเอินบ้านหน้าบ้านของที่เทวามัตตุพญาคนแรกนางสุชาดามานั่งใต้ต้นศีมหาโพนั่งโดยใต้ต้นตนิโคตต้นนิโคตก็หวนต้นหน้าสลาลงทานน่ะ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 ปัญจวิคีเอ้ hey, มันต้องใจแน่นอนเอาลนะจะเอาใจลราปนการที่บำเพ็ญทางใจต้องมีเลี้ยวมีแรงสะหน่อยต่อซุ้ยอจินข้าวแล้วก็ไม่เหมาะเด็กเลี้ยงควายมากเกินไปในรันชลาไปดูทุกวันนี่แถวด้านมีสวนกระลำปเต็มไปหมดเลยตองนาก็เดินข้ามเรินชะลามาพุทธคยาฟังตะวันตกมีโสดที่พรมเดินมาผ่านกันไปไปเกี่ยวหญ้า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 อ่ายสังขานไม่มีใครไม่ปวดขาล่ายแชงนั่งนานก็ห ล, ง, ลงโงกดหลงงอกรรมฐานนี่ระวังให้ดีถ้านั่งไม่เป็นต้องปรับตัวใหม่ต้งต้นใหม่เรื่อยอย่าให้เป็นอริบทกโกรอริบทกโกมันมันมันพาเปลี่ยนยืดตัวยืดหน้าอกยืดต้นคอวางไม่หน้าใบหน้านี่อยา ก, ก้มอย่ามองอย่างนี้ให้มันชกได้ฉากถ้มองไปข้างหน้า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 ตอนตาอ้ายอา ย, อายเวลาเขามานั่งฟองเทศเนี่ยต้องใส่กล่องขอร้องว่าไม่ให้ทำรู้สึกว่าไม่ไม่ชอบอายเขาเหมืนหอนกับว่ารับจ้างแต่เงินที่เขาได้ไม่ใช่เอาให้เราดอกเขาก็เจ็บเอาข้าเครื่องบินไปกลับ <laughs> แล้วเขาก็ชี้ตรงนั้นไม่ได้ไม่ทำไม่ได้เขาบอกอนะบางทีก็ได้กําไรนะถ้าเที่ยวบินแสนสองแสนนี่ย <laughs>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 ไม่เห็นมีสักทีเลยนะแต่ก็ฉันไปจังทีไม่ชีเหนื่อยอ้าวหลวงพ่อติเทียนเป็น พ, อพ่อครัวเราบว่าตีชิ้นนินเธอทำไมพระปรุงอาหารทําไมโยมไม่ทำเฮนบ่หล่ะหลวงพ่อเทียนเนี่ยปรุงอาหารเนี่ยสู้เอะสุคนสมชายด้วยฮะก็ช่วยกันอ๋อทีแต่ไรไปเรื่องกินแล้วเออเนี่ยปฏิบัติธรรมน่ะ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 แล้วสิ่งมันเกิดขึ้นเรารู้หรือว่าเราเป็นไปกับมันถ้าไม่ศึกษาไม่เห็นตรงนี้มันจะไม่จบเลยความหลงก็อยู่ต่อรอดไปข้ามปีมาแล้วนี่ไหมข้ามโกดตามมาไหมปี5้าสองเนี่ย เ, เ, เอาเถอะเพเ่งรอเะรอเอาจังไรอ่ะฮะไม่น่าจะเป็นไปมนทำไมทำไมจังหลงจังโกดกัน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 เดวนี้กายไม่มีเจ้าของใจไม่มีเจ้าของ ส, มสัมโศณเปราเถื่นอนอะไรหอบพิวไปไหนก็ได้เอาป่วยเปะแล้วเลยตัวเรามาเอากันจริงๆ จ, จังเราจะสูต า, ายสูตายเหมือนพระพุทธเจ้าลองดูสามสิบหปีสูตายแล้วสูตายอันนี้พวกเราไม่ขนาด น, นั้นดอกมาเป็นกันริยนามิตเป็นเพื่อนกัน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 เข้าใจไหม ย, ยกโป้เนี่ย mm hmm. มันแน่วแน่ละโอ้ยโอ้ยไม่มีอนเนี่ยมานน่าภูมิใจมันเป็นไปไดาไม่ต้องหลงไปต้องทุกข์เราคงทุกข์บันขี่ชางขี่ม้ามาใหม่เพหลงมีมสะตาวุธิบีแล้วเบิดมีเอ็มจั๊บกหมถ้าไม่ลับใช้มันเอาให้มันสมน้ำน้ามาัน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 ได้บุญเหมือนกันสำเร็จด้วยจายเพื่อเอาวัตถุเจงของมาเป็นส่วนคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเขาจะรวมมาๆนี่นาะในมือก็รวดให้เขาภาษาอันเรื่องนี้ย้อนไปก่อนพุทธเจ้ามาได้ว่าหรอกแต่ว่าพวกพรามทั้งหลายเขาํำเนจแต่ว่าเขาพวกรัทธิอื่นพวกรลนชัยพวกที่กรรมผล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 อนนี้ก็ศาสนาพิธีศาสนาวัตถุศาสนาธรรมศาสนาบุคคลให้ป็นกลมกลืนกันสารวัตถุในโบสถ์มีมาสาร้างศาสตเรามีหลายอย่างประกอบกันเข้าส่วนศาสนาธรรมสายตรงอ๋อเลยไม่ต้องมีอะไรถ้าไปตรวจด้ำถ้าไปสวดมนต์ไหว้พระแบบเราทําเนี่ยไปอยู่ใน